อจอยมาก่อนเพื่อนภาวนาเป็นไงดิ้นนเดิดิ้นรนเราห้ามมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ใจใจจะดิ้นรนก็ห้ามไม่ได้ ต, ไต้องเป็นกลางกับมันนะอย่าไปเกลียดมันแล้วก็อย่าไปอยากให้มันสงบอย่าไปอยากให้มันดีศักวิร์รู้สักดิ์เห็นจอยทำใจดูจิตตัวเองนะ มันดูคนอื่นอถ้ามีความรู้สึกว่าจิตใจเราเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราเี้ยมันง่ายแต่ถ้ารู้สึกเป็นตัวเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขแต่บางเรื่องเวลาที่มันแบบมันจะพับขึ้นนอกๆเนี่ยมันเหมือนมันเข้าไม่ถึงข้างในมันก็อยู่รอบๆแล้วมันอยู่นอกๆที่ใจค่อยๆฝึกไปเกินสุดท้ายเราปล่อยข้างในเราไม่ได้รักษานะแต่ว่าหัด ตรงที่เราหัดฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆมันก็รักษาบ้างคุ้มครองรักษาทำให้ชาติของจิตเป็นอย่างนั้นแล้ห้ามมันไม่ได้มันยังหวงอยู่แต่ว่ามันมีสองชั้นนะใช่ไหมข้างนอกข้างนอกกับข้างในข้างนอกวุ่นวายข้างในดีข้างนอกไม่ดีข้างในดีข้างนอกสุต้านข้างในสงบข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งเหมือนเป็นฉากหลัง ของทุกๆปรากฏการณ์ใจเรามีสภาวะอย่างนี้เนี่ยทางครูบาอาจารย์วัรปาท่านเนี่ยเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการณ์ต่างๆมันไม่เข้าไปรูปด้วยก็ดีนะฝึกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องปล่อยตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็ทำเหมือนเดิมก็ดูไปได้แต่ว่าอย่าจงใจ ถ้าตัวนี้เข้มเกินไปนะเข้มข้นเกินไปคลายออกซะหน่อยถ้าดูถ้ามันสบายๆดีไร้ใจอันนี้เพียงแต่ว่าไตัวที่เป็นผู้ดูเนี่ยมันตั้งป้อมเยอะไปนิดนึงรู้สึกไหมมันมันมันเคลียดกีดกันตัวเองออกจากสิ่งอื่นๆมันไม่อยากเข้าไปคล้องแวะสิ่งอื่นมันเลยไปดึงตัวเองไว้ไปประคองไปควบคุมตัวเองไว้มันแข็งไปไม่เป็นธรรมดา มันจะคล้ายๆก็จะเห็นปรากฏการเคลื่อนไหวนะแต่ตัวนี้นิ่งเป็นิ่งเกินไปนะและ้วต้อค่อยๆคลายออกค่อยรู้ทันมันแล้วมันจะได้เคลื่อนไหวเป็นธรรมดาสบายนะเวลาจิตไปรู้อารมมันจะเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติถ้าเราตรึงไว้มากไปไม่มีปฏิกิริยาจะเฉยๆหมดเลยนะอย่างนั้นไม่ดีละมากไป แต่ให้จิตไหลไคปคลุกกาลมทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ดีก็มากไปอีกข้างหนึ่งนั้นสุดโต่งเนี่ยความสุดโตงเกิดขึ้นตลอดเวลาของนักปฏิบัติถ้าไม่เฝลอไม่หลงนะก็ควบคุมประคองไว้สุดโตง่ง่องฝั่งคนทั่วไปเมื่อหลงรูปเดียวนักปฏิบัติก็ชอบประคองรูปเดียวประคองรักษาไปเรื่อยๆสุดโต่คนละข้างให้รู้ไป ไม่ต้องแก่นะแต่ว่ารู้ทันว่ามันไปรักษามากไปใครมาคนที่สองละ่ะไม่มีเอานี่เลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงเนี่ยเกอดนานเกิดบ่อยๆให้ไหลไปเรารู้สึกไหลไปล้ว ร, รู้สึกนะที่จริงการปฏิบัติบางคนก็ทำจิตให้ตั้งมั่นก่อนทำสมถะให้จิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งมีกำลัง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 ถดูดด ไ, ได้ดดไดการดูจิตเนี่ยนะดูไปบางช่วงจิตแปรปิดเป็นสมะถะเสังเกตไหมเวลาเราดูจิตเนี่ยมันมีความว่างๆอยู่ข้างในนีถ้าเราใจเราแนบเข้ า, ากับความว <นะ S 2> ่างๆก็เป็นสมะถะเราไปจับเอาความรู้สึกนิ่งๆว่างๆไว้ก็เป็นสมถะเวลาที่เราเดินวิปัสสนานะเราเห็นอารมณ์เกิดดับเห็นจิตเกิดดับเนี่ย ถึงช่วงนึ่งนะจิตกีจะพลิกเข้ามานิ่งๆอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอมีกําลังมันก็ออกไปเห็นความเกิดดับอยู่มันพลิกเข้าพลิกออกนะแต่ถ้าจงใจปฏิบัติเนี่ยมันจะ เ, เริ่มงปิดรึงเอาไว้กับความว่างๆอันนี้ติดสมถะงั้นดูจิตก็ติดสมถะได้เหมือนกันนะไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวนะจิตก็พลิกเป็นสมถะเยอะเลยแต่มันนิ่งครัเดี๋ยวเออนั่นดีแล้วมันนิ่งแต่เดี๋ยวนึงก็ออกมาทํางานนะเพราะใจเรา เป็นคนชอบคิดแต่เราเป็นพวกปัญญามากพวกปัญญามากนี่ไม่สงบนานสงบไปเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ออกมาทำงานใหม่มันรู้สึกไม่นิ่งนอนใจงานยังไม่เสร็จมีนิสัยอย่างนั้นไหมว่าถ้างานยังไม่เสร็จต้องลุยๆไปก่อนคิดไม่เลิกมันคนจริงจังนะจริงจังเวลาลงมือปฏิบัติก็เานิสัยจริงจังมาใช้งานยังไม่เสร็จไม่นิ่งนอนใจ พักประเดี๋ยวประเเอาเดี๋ยวออกใหม่อีกละบางทีไม่ยอมพักเลยจิตอะ่ะถ้ามันไม่ยอมพักเลยมันฟุ้งมากไปต้องทําสมถะต้องบังคับกันนิดหนึง่งข้าใจไม่ฟุง้งก็ค่อยรู้เอาขอคุณใจมันยังฟุ้งนะรู้สึกไหมให้รู้ทันที่มันฟุ้งนะมันฟุ้งเยอะไปนิดหนึง่งค่อยๆรู้ไปเ่ไทําสมถะลําบากก็รู้ รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทำใจสบายๆอย่ารีบร้อนปฏิบัติดูไปเล่นๆถ้าเรารีบร้อนเราอยากให้ได้ผลเร็วรีบร้อนะยิ่งชา้าใจของคนมันดิ้นเยอะยันยฟุง้งจิตใจที่ฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็เสมอกับจิตอย่างอื่นนั่นแหละแต่เราก็ค่อยๆรู้จักผ่อนปลนของเราไป ค่อยๆทาไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจขยันเกินไปก็ไม่ดีวิริยะเยอะไปฟุ้งซ่านเป็นไงเคยมาไหมเคยมาหัวเชียวแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยจ้าค่ะเออดีแล้วดีแล้วไม่เข้าใจต่อไปเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเข้าใจหรอกให้คอยรู้ทันใจตัวเองก็พอละเช่นฟังหลวงพ่อพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยงง งงรู้ว่ากำลังงงอยู่นี่แหละปฏิบัติเป็นละคนเ้าชมเรานะใจเราพองเลยดีใจรู้ว่าดีใจอยู่ปฏิบัติเป็นแล้วคนเ้าด่านะใจเราเดือดขึ้นมาเลยเห็นมันเดือดขึ้นมาเลยเนี่ยถูกต้องแล้วฝึกแค่นี้เองไม่ได้ฝึกอะไรเยอะหรอกเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมหัดรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องฝึกอะไรหรอก ฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังนะหลายคนมานั่งฟังหลวงพ่อพูดที่งงหลวงพ่อพูดจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคุยคนนี้กับไปอีกเรื่องคุยคนนี้ไปเรื่องแล้วฟังแล้วงงไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงบางคนมาถามตรงๆเลยนะว่าดีฉันจะปฏิบัติยังไงนะบอกว่าปฏิบัติไม่ได้หรอกคิดจะปฏิบัติมันผิดตั้งแต่คิดคิดปฏิบัติและว <c oughs> ความโลภมันเกิดล้ว ถ้ารู้ทันว่ากำลังอยากปฏิบัติเนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วมันง่ายขนาดนั้นไนะง่ายจนยากเรานึกไม่ถึงเนี่ย <c oughs> สงสัยอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกสงสัยบ้างไหมแค <c oughs> ่นั้นนะ่ะรู้ว่าสงสัยนะรู้ที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเ น, นี่ยตอนเนี้ยความสงสัยมันหายไปแล้วรู้สึกไหมมันเป็นทื่อๆอยู่เฉยๆนะนะหันรู้สึกไปนะรู้ไปอย่างที่มันเป็น เรียนจากหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้เรื่องนะพูดรวมๆพวกเราเลยมาเยอะฟังหลวงพ่อพูดธรรมะนี่ไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนพวกเราเท่านี้เป็นเพื่อนให้พวกเรานั่งสังเกตจิตใจตัวเองไปอย่างฟังหลวงพ่อพูด <c oughs> บางทีก็งงๆใจมันงงแล้วรู้ว่างงนี่ใช้ได้บางทีก็ใจลอยไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยไปอันนี้ก็ใช้ได้ บางทีก็นั่งอย่างเคร่งเครียดนั่งบังคับนั่งควบคุมตัวเองรู้ว่าควบคุมตัวเองอยู่ก็ใช้ได้ละเพราจริงๆเราทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลักจริงๆก็คือให้คอยรู้กายรู้ใจตามปรับเป็นจริงไม่ใช่ให้เข้าไปแทรกแซง น, นี่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบเข้าไปแทรกแซงเช่นพยายามบังคับกายบังคับใจนี่เคยหายใจสบายๆก็เริ่มหายใจไม่เหมือนปกติมีจุดกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้อะไรอันนั้นเป็นหลักของสมถะ นะถ้าหลักของวิปัสสนาะหายใจเขาหายใจปกตินี่แหละหายใจแล้วก็เห็นในร่างกายที่กาลังหายใจอยู่นี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้เรียกว่าฝึกปฏิบัติทำวิปัสสนาเห็นในกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกนะตัวที่กําลังท้องพองท้องยุบตัวที่กําลังยกเท้าย่างเท้าตัวที่กําลังเหลียวซ้ายแลกขวานะตัวนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตใจมาอาศัยอยู่ในเปลือกอันนี้เปลือกอันนี้เคลื่อนไหวไม่ไม่ยากอะไรนะไม่ยากหรอหรือการดูจิตดูใจง่ายหนักเข้าอีกนะคนก็ชมดีใจรู้ว่าดีใจคนพด่ า, ดาโมโหรู้ว่าโมโหนะฟังหลงวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องงงงงรู้ว่ากำลังงงอยูนะ่ก็คือการรู้ทันสภาวะที่กำลังเกิดในใจเรานะั่นเอง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 จริงๆน่าลองถามเด็กเล็กๆตัวโกรธเป็นไหมรู้จักไหมรู้จักนะอืรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กยังรู้เลยแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากัน่ะบางวันไม่ชอบหน้าแม่เลยขัดใจะบางวันตามใจมากก็รักมากหน่อย่จริงแล้วความรู้สึกในใจเราไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะทุกคนรู้สึกได้เด็กเล็กๆก็รู้สึกได้เพียงแต่เราละเลยที่จะรู้สึกเท่านั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคอยรู้สึกบ่อยๆ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 สภาวะทางร่างกายเช่นร่างกายมันยืนมันเดินนั่งนอนมันคู่มันเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกขวานะไปรู้สึกไปนะหรือหารู้สภาวะทางจิตใจนะส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับหลวงพ่อนี่เป็นคนเมืองพวกปัญญาชนพวกคิดมากนะพวกนี้เหมาะกับธรรมฐานที่จะดูจิตเอานะไม่ได้เหมาะที่จะดูกายนะพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักความสงบเน่เหมาะที่จะดูกายนะส่วนใหญ่พวกคนเมืองทํามาหากินด้วยการคิดคิ ด, ค, ดคิดไปเรื่อย ตนี้เหมาะที่จะดูจิตใจตัวเองนะการดูจิตใจตัวเองไม่ได้ยากอะไรนะความรู้สึกอะไรกำลังปรักฏรอดก็คอยรู้เอานะหลักของการปฏิบัติจริงๆนะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4ี่นะอริยสัจสเนะี่ยบอกทุกให้รู้หลักตัวนี้ตัวสำคัญมากนะทุกให้รู้ทุกคือร่างกายกับจิตใจของเราเองนะให้เราคอยดูกายดูใจของตัวเองแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง กอากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความดิ้นรนหรือตัณหามันจะหายไปเองรู้ทุกขจแจ่มแจ้งตัณหาจะดับนั่นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปวันหนึ่งปัญญามันเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราะพอมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ต้องพามันดิ้นรนทุกวันนี้เราต้องดิ้นรนมากมายดิ้นรนเพื่อจะหาความสุขมาให้กายให้ใจนี้ดิ้นรนเพื่อจะพาให้กายให้ใจนี้หนีพ้นจากความทุกข์ ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะความอยากหาความสุขอยากเก็บพ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าตัณหามันมีตัณหาขึ้มนมาได้ก็เพราะมันมีความสําคัญผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรางั้นการที่เราไม่รู้ทุกข์นี่แหละทําให้เกิดสมุทยัยเกิดตัณหานี่นเรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อคอยมารู้กายรู้ใจจนมานหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก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 นะการรู้ทุกข์ล่ะทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจของเรานี่พรนะเจ้าอนิยามไม่ให้เรียบร้อยนะทุกข์คืออุปาทานขันธ์คือร่างกายกับจิตใจของเรานี่เองนะหน้าที่ของเราคือให้รู้กายรู้ใจอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้กายรู้ใจได้นะสติเป็นเครื่องมือทำให้รู้กายรู้ใจได้มีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆ ก็จะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหรอกเข้าใจถึงจิดสุดจะปล่อยวางได้ฉะั้นเรามีสติบ่อยๆรู้กายรู้ใจบ่อยๆเรียกว่ารู้ทุกวันหนึ่งจิตใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะหมดไปจิตใจเข้าถึงความสงบสุขหรือนิพพานนิสติะ่ะสติเป็นยังไงทงาไงสติจะเกิด เนี่ยปัญหาใหญ่มากเลยนะพวกเราไม่รู้จักสติในโลกนี้หาคนมีสติแทบไม่มีเลยมีแต่สติอย่างโลกโลกแต่สัมมาสติไม่มีสัมมาสติเป็นความระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติแปลว่าความระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังๆไปแปลสติว่ากาหนดนะกำหนดนี่ไม่ใช่แปลว่าสติกํหนดนี้มันเจือด้วยโลภเจตนาเข้าไปแล้วสติจะเกิดไม่ได้เลยด้วยการกาหนด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 การเห็นสภาวะทำบ่อยๆนี่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานนั่นเองรู้กายบ่อยๆรู้กายเนืองเนืองรู้เวทนาเนืองเือรู้จิตเนืองเนืองรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปถึงวันหนึ่งสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยนะจิตจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์ตามมาเป็นแถวเลยพระอาจาถึงสอนบอกกลับใดที่ยังมีผู้เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนจริงๆก็คือทอํายังไงสติจะเกิดเท่านั้นถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยมาเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆพอรารู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อยๆปัญญามันจะเกิดก็คือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะกายนี้เป็นสมบัติของโลกจิตนี้เป็นนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปนะเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงความเข้าใจเบื้องต้นได้เป็นทศบัญฑ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 เผลอเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเผลอเผลอก็มีหลายอย่างนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นนิ่มรถเผลอไปคิดเนี่ยเผลอไปคิดนี่มีมากที่สุดงัครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนจะมาเน้นที่หลงคิดหลวงพ่อคําเทียนก็เน้นเรื่องการละคิดจิตไม่แอบไปคิดถ้ารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเทียนถึงสอนขนาดว่าถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะได้ต้นฐานของการปฏิบัติ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 สติแปลว่าความระลึกได้สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะจิตใจของเราชอบเลื่อนลอยลอยนี้ไปทางตาลอยนี้ไปทางหูลอยนีไปคิดชอบเลื่อนลอยสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจตัวเองนั่นเราจะระลึกได้ถ้ามันรู้จักมันจําได้เช่นเผลอเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเผลอไปสติจะเกิดเองนะโกรธเป็นอย่างนี้พอโกรธไปสติจะเกิดเอง เพราะสติเกิดนี้อากูสนจะดับทันทีนะ